เทศมาธาวิธีอบรมให้จิตสงบก็ได้เทศมาแล้วก็ได้ธรรมกันมาแล้วเทศถึงเรื่องปัญญาพิจารณาก็ได้แสดงมาแล้วอันนีเ้เทศถึงเรื่องผลของความสงบ เลขผลของปัญญาพิจารณาต่อควจริงก็คือว่าผลขอความสงบจิตที่สงบก็คือตัวปัญญานั่นเองรูปายเงียบคายต่งางๆเกิดขึ้นจากความสงมนั้นผลของความขงบนั้นส่วนปีกย่อย ที่พิสดานมากเข้าไปกนอาอดีตเหลือที่จะขนาคนับเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนั้นมันจะเกิดอภิญิาณที่ความรู้ต่างๆเป็นวิธีวิจิตรที่ประโสดเตโตปนิยา ประต ว, วิชารู้จักจิตใจของคนอื่นมิทีรีตปาติหาริยรพลพัทุกิแ เ, ากกางงเ้าเกิดจากความสงบือเรียกเกิดจากสมถะสมถะก็นั่งเคยที่ปาไปแล้วมีสองอย่างสมถะอย่างหนึ่งสงบปกลมจิตให้สงบแ น, แน่วแน่อย่างเดียว ไม่องพิจารณาได้มากมายไม่ต้องคิดคนอะไรมากมายคือเพ่งจิตให้จีดต้องไปหาสองสมองเลยทอดละปล่อยวางหมด ท, ทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นให้เพ่งพิจารณาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออก เห็นที่เกิดที่ดับของลมหายใจหรือว่าเพ่งพิจารณาว่าควงเกิดควาดับคือลมหายใจเขา่าหายใจเขา่ามาหายใจออกก็ดับหายใจออกแล้วไม่เข่าก็ดับเห็นสังขารร่างกายติดตัวเหล่านี้อยู่กับลมลมปรนปื้มปฏิบัติทัดไปมาอยู่จึงได้ทําให้วันไหวพิจารณายังกระทั้งเห็น ว่ากายอันนี้เนะี่ยเป็นของยืมคนอื่นของยืมคนสิอื่นมาใช้แล้วก็ลมนั่นก็เป็นของยืมมาไม่ใช่อยู่ที่ตัวขางเราไม่ใช่ของเราลมนั้นของสาธานเคาจะสืบออกสืบเข้าก็ได้เนืงผ่านไปผ่านมาใครมีเครื่องสืบสูเคือ่อมีจมูกสู่ก็สู่ได้ ไม่มีการซื้อการขายกันการเพ่งพิจารณาเห็นชติอย่างนี้อยู่ในกองสงบอย่างนี้ <c oughs> มารเพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวอย่างนี้วิธ <c oughs> ีทำกอสงบแบบนี้ <c oughs> มันเกิดสัญญาณ ร, รอบก <c oughs> ันในนี้สองอย่าง <c oughs> อย่างหนึ่งสงบเฉยเฉยไม่เอาอะไรทั้งหมดพภาถิ่เมัดอะไรตาอไมาให้มีอะไรเลย เห็นว่าทุกสิ่งทุก อ, อย่างเป็นอันตรายแบบนั้นถ้าเรียกว่าชาติทำขอสง บ, บเขาทึ้งแก่ชาติแบบหลังนี้่เรียกว่าเขาทังยังสมาธิขึ้นมีาาปัญญาพร้อมกันมีผลนอกความสงบอั น, นนี้สรงนความสงบอั น, นนี้อีกในความสงบนี้แหละ เป็นเครื่องพักผ่อนจิตได้พักผ่อนกายได้ความสงบนั้นเมื่อกระทบสิ่งใดเข้ามาแล้วเราจะต้องให้มันชานาญเพราะกระทบอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วจึงวิ่งเข้าหาความสงบเลยเป็นเครื่องป้องกันให้อันตรายได้เป็นขั้นพิฆาแต่มันไม่ได้ขุดล่าขุดเงาขึ้นมาหมด ต้นไม้ฟังเหมือนก่อป่าลุกลกตัดเอาเอาเพียงดินมเลยในพระกฎดับตัดเพียงเดินดินมเลยแลวก็เตียนไปได้แต่มันมีวันที่เ็งมอกขึ้นมาอีกได้ต้นไม้ต้นหา ย, นยาพรอไม่ได้ขุดหลังขุดเงาเรื่องชาเียนนั้นท่านเดีย แสดงว่าัน ง, งับนิวรณ์ห้าไม่ใช่ถอนไม่ใช่ตัดขาเมื่อจิตมันเข้าถึงความสงบกามาฉันทะคือความพอใจและไข่ในกามที่เดืทั้งหลายรูปเกียงสินงวัทถุถาหายไปนับไปคือไม่เอาเรื่อง มันไปยินดีกับความสุขสงบแนวการมาฉันทะอันนี้บาด ม, มันก็หมดไปจะไปคิดเจียกดส้วนนนยนั้นตอนี้ไม่มีเพื่อ ม, มีเครื่องหยุ่มันเข้าหาความสุกคิฏนวิเททะุทธเจตุขุจจะมันไปยินดีกับความสนุกนเพลินอยู่กับความสุกเบิกบานนีู่กับความ ความง่วงเหงาเฮ้านอนกัไม่ความชื่นเชิงเเชิงก็ไม่ น, ม น, ม น, บบนี่นิจิจิตฉากความลังเลในอุบายนั้นก็ไม่นี่เห็นเป็นของจริงจังๆเจ๊ว่าอันนี้เป็นของจริงของถูกต้องดีแล้วแต่เพียงแค่นั้นแหละไม่ได้คิดค้นหาล่า ผลต้นต่อของแ ท, แท้เนี่ยนองส่วนการพิจารณามีสมถะและพิจารณาอยู่ในตัวสมถะมันตามผลคว้าหาต้นต่อและลากเหงาของบางทีาปายไปตะกี้การพิจารณาแค่เรื่อ ง, งล ม, ม น, นั่นนียกำหนดพิจารณาแค่ลมมันเดียวหายใจออกอะเนี่ย ลมเป็นเครื่องปืน ป, นปืนให้มีชีวิตอยู่ได้เห็นคุณค่าของลมอารมล์ลมไม่มีประโยชน์แลวไปเห็นลมเป็นของสาธาเห็นรังขานคือตนตัวเราเป็นธาตุสี่เป็นของยืมมาใช้เห็นสีนาเป็นอย่างน้อาการที่เห็นลราเป็นของยืมคนอื่นมาใช้ เรื่องเห็นวอะเป็นเพียงธาตุสีไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเข้าถึงอนัตตาตรงมันเป็นปัญญาเข้าถึงอนัตตาที่เรื่องก a r m a ฉันทะความรักใคร่พอใจยินดีกระรูดเสียงกินรถมันไม่ดีนะมันโค้นขึ้นมามันไปรักใคร่พอใจในสิ่ง น, นั้นทําไมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งหมด ยังเป็นธาตุสีหรือก้อนดินน้ำไปเลยเห็นของยืมมาเทนั้นของอันนี้ไปยึดเอาเป็นของเราของเขาสคล้ายๆก็เป็นคนขี้ขโมยคนงั้นเลยเห็นเป็นอนัตตาในขณะเดียวกั้มกันนั่นอ่ะมันจะเห็นเป็นของไม่เที่ยงแปรจะพาพอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่ลมหายใจยังไขย ใ่เข้าหายใจออกมาอยู่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของรลมเอังมีการเปลี่ยนแปลงอีกอันส่วนรูปกายคือทั้งขานตนตัวมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่เพราที่เห็นตอนนั้นเปลี่ยนแปลงไป่างเครื่องควาแก่ของคนเป็นระยะเด็กหนุ่งสาวอันนี้เป็นระยะหา่างคงเปลี่ยนแปลงนี้ระยะหา่าง ถ้าไปเห็นตรงนั้นนเปลี่ยนแปลงทีเย็บเลยขณะจิตในปัจจุบันนี่มันกลายเป็นอดีตในขณะนั้นก็กลไปเพรเห็นแล้วเปลี่นปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตไปแล้วทีดานาคตมากลับมาเป็นปัจจุบนันปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตนาคตกลับมาแทนนีเองได้เห็นในขณะจิตอย่าเดียวเลยเช่นจิตของเรา กำหนดอนาคาคือพิจารณาลมหายใจกําหนดตลมห้ยใจไอเห็นลมนี่ว่าผ่านไปที่ลมปรากฏที่มันชัดอย่างนี้นลมผ่านออกผานเขา่าลมปรากฏแล้วก็ผ่านไปนั่นเองก็ผ่านมามันก็เป็นอดีตอนาคตไปยังไงตัวประจิบันอดีตอนาคตไปพร้อม่ในขณะที่ยิบเล็นตรวเงิน เมื่อเห็นลมมันที่งั้น่งต่อมันไปเห็นส่วนพัฒนายต้าอื่นๆมันก็เป็นในธรรมนองเดียกรูปกายก็ไปในธรรมนองเดียกเปลี่ยนสภาพโดยเร็วที่สุดทัด้ควงยึดควงถือมันถอนลากถอนเอาโดยไน่รู้ตัว อันนี้สมของการทำความสงบนะถ้าพูดทั้งเรื่องคุณค่าและผลประโยชน์ของความสงบทั้งสองอย่างแล้วนี่คุณค่าประโยชน์ของการเจริญปัญญาพิจารณายิ่งเะเอียดกว่ากันนั้นอีกคำว่าปัญญาพิปจารณาคือรูแจ้งเห็นจริงตามเป็นจริง ดังพิจารณากายเห็นเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุสี่น้ำไฟโลห์กายพิจารณาเห็นสักว์แต่ว่าเป็นธาตุไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตตัวตวนบุคคลสัตว์ที่ว่างวควายก็ดีที่ว่าคนก็ดีมันไม่มีในธาตุาแต่แท้ยังเป็นก้อนสี่อย่างผสมเข้าแล้ว วัตถุทีอย่างประสงค์เมืองเขาเนีน่ที่เรียกว่าโ น, โน่นว่านี่มันไม่มันไม่มีอะไรนี่นะเมื่อเข้าไปอีกตรงนั้ที่เรียกเนี่ยมันอยู่นอกมันไม่เข้าไปบที่พื้นฐนสมมติเปลือกเปลืนกนอกเนี่ยนะสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมัอยู่ตรงไหนผู้ชายอยู่ตรงไหนไปดูตรงนั้นพระวันเนรยไงพระเนรไมั น, น, น, นอยู่ตรงไหน มันเป็นวัตถุสี่อย่างเข้าผสมปรุงอะไรเข้าะสมอะไก็เป็นก้อนนั่นเองที่ท่านแสดงไว้ว่าใครจะรู้จักว่าร่างกายนี้เป็นเปียกมันก็หมองมันก็จริงอย่างว่าใครจะไปรู้จักใครจะพิจารณาและเห็นร่างกายนี้มีเปียกมันก็หมอง คนเรามันไม่ได้พิจารณานี่ยการพิจารณามันก็เป็นจริงอย่างหมอกที่ว่าอาจริงสาหรับลักภาระสําหรับที่จะเก็บสิ่งของต่างธรรมดาหมอเขาทำอย่างหมอน้ำก็เก็บน้ําหรือหมอแกงก็จางเขาว่าสำหรับปรุงแต่งอาหารน้อยสำหับลักอาหารที่ปรุงแต่ง คนเราเนี่ยเปลี่ยนมอนก็หม่อมมันก็หนุดสหรับรับภาระที่จะต้องใช้สรรพทุกอย่างในตัวของคนเราถ้าแห่ไปพิจารณากันทีทวนจริงๆอย่างมันไดเห็นกระดาษไว้นนั้นในตัวตนคนเรานะมีทางดินมีทางน้ามีท้งไฟมีทางลมผสมกันเต็มเปี่ยอยืมมด สมก็เป็นก้อนแล้วยังไม่ได้ยังมีสิ่งทั้งหลายนั้นคอยหล่อเลี้ยงอยู่อีกเลือดก็ยังมีหล่อเลี้ยงเรียกว่าน้ําดินคือสิ่งที่แข็งแข็งเป็นตัวประธานสำหรับรับรองน้ําสําหรับรับรองไฟสําหรับรับรองลก เรียกมันกับหมอ้อมอเป็นประธานสำหรับอาหารที่จะไปปรุงนั้นไม่ใช่ไม่ทราบอะไรต่วอะไรละ่ะเป็นเนื้อเป็นผักเป็นพริกเป็นเกลือเอาไวปผสมกันในหมอนะ้ออยู่กับหม้อนะั้นถ้าหม้อนะั้นไม่มีอันนั้นก็ผสมกั น, นไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายไปรั่วไหลไปหมดหม้อคือคนเราก็ คุมไว้ถึงจริงทั้งหลายแล้วนี่แหละคุมแล้วขังไว้ถึงจริงทั้งหลายแล้วแต่พิายารณาอย่างนี้มันก็เป็นเห็นสภาพตามเป็นจริงว่าไม่ใช่จริงในทั้งสองหมดมันเป็นเรื่องของมเงื่อนงำแม้ที่สุดแต่ที่เรียกว่าธาตุสีก็เป็นบงญญื่อนยัดถ้าไม่เรียกว่าธาตุมันจะว่าอะไรกัน เทพีเจ้องค์ทรงบัญญัติว่าทา่าด้ายท่านเพื่อว่าบัญญัติไว้สําหรับให้งยิบยกมาพิจารณถ้ากมีสิ่งสมมุติอสมบัญญติยัิบัญญัติไว้าสาหรับให้เป็นเครื่องยิบยกรพิจารณาถ้าไม่มีบัญญัติยึบยกรวิจารณาก็ไม่ทาบจะพูดอะไร อย่างคนเราไม่ต้องพูดละอย่างว่าถามกันนี่ไม่มีคําพูดไม่ทราบอะไรมันไม่มีส ม, มุดบรรยัญญติไม่ต้องพูดกันหละอย่ามีคนหนึ่งก็งถามว่าเฮ้ยเธอทําอะไรกันไอคนที่ถือมันถือไม่มีส ม, มุติปรยัญญติคนระับพอพูดไม่ถูกทุกอย่างแต่พูดออกมาต้องพูดไม่ถูก หากเขาถามว่าเธอเธอทำอะไรในพระเจ้าเขาก็จไม่พูดไม่พูดเลยกลายเป็นสมมุติขึ้นมาอีกแล้ะเลยไม่พูดนะนับนเป็ น, นั้นวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมาปรากฏที่เฉพาะหน้าเราซึ่งไม่เคยเลยว่าเป็นอะไรจะเป็นก้อนนพันพันธานธานและกระช่างถึเราสมมุติว่า ม, มันกุบโกลมมันก็หลอดตะเคียงมาตกอยู่ข้างหน้านีสีเข้ า, ขาวอันนั้นเคายังไม่แทนสมมุติกันมาตรกที่แรกไม่มีใครรู้จักคำว่าไม่รู้จักคือไม่มีใครสมมุติแล้วก็ไม่มีใครบรรยัญญตจริ่งนั้นมาตกอยู่ตรงหน้าเป็นของแปลกคนทั้งหลายเขาก็จะมาดูสิ่งนั้นเฮีันนี้อะไรคนนั้นก็จะว่านี้อะไร ไม่ดูนะถ้าเขาหนีจากนั้นไปแล้วเขาก็จะถามนั่นแหละไปดูอะไรไปดูตัวอะไรไม่ทบคำว่าอะไรไม่ทราบมันเกยเลยเป็นบรญญัติขึ้นมามันเลยเป็นสมุดขึ้นมานอกจากนี้นอีกคนจะไปสมมุดขึ้นอีกหลายเรื่องตามมโนข้ามของตนอะไรก็ไม่ทราบโกงข า, ขาวบรรยัญญติขึ้นใหญ่สมุดขึ้นใหญ่แล้ อันั้นก็ไปต่อที่ต่อไปอีกหรับไปดูไปสัากลุ้มกลวงขาวขาวเข็งเขียงไปเลยไปใหญ่ไปดูทีแรกนั้นไม่มีใครสมมุติบัญญัติพราะเห็นแล้วก็เลยสมมติบัญหยักมาท่านธาตนั้นก็ท่านทำหน่องเดียวแหละถ้าไม่วัญหยักไว้ก็มันมีเรื่องที่จะเอามาคู่กันไม่มีเรื่องที่จะมาพิจานณา อันนี้เมื่อเมื่อเราหยิบยกเอาท่าในปิรณามันไ็จเห็นชัดตาเป็นจริงว่าสักที่ว่าของนั่นเป็นอยู่อย่างเลยสมมุติบัญญัติไม่ถูกแต่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่พูดสมมุติบัญญัติน่ะแต่ว่ามันไม่เข้าถึงนั้นนะ่ะแต่เอาสมมติบัญญัติมามาปิญญ า, นานเลยเห็นสภาพตามจริงจริงครับเมื่อหมดจากสมมติบัญญัติน่ะก็เลย สิ่งสภาพการพินิจนี่ถึงอธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าจริงที่มันมีอยู่มันเป็นคุณประโยชน์มากหากไม่มีแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรไปพยากรณ์จริงหนที่เราเกลียดที่สุดหรือสิ่งใดที่เราชอบที่สุดรักที่สุดยินดีพอใจที่สุดอันนั้นแหละมันเป็นของดี ใน้เรามาคิดพิจารณาเกลียดที่สุดเพราะอะไรทำไมเราเกลียดเกลียดเฉพาะกิเลสมันไมมีเราต้องการอยากจะชําระกิเลสของเราไม่ได้หรเมื่อเราเห็นกิเลสเราโผล่ขึ้นมามันก็ดีแล้วนี่มันจะได้ชําระสาสานกิเลสถ้าหากไม่มีเรื่องเกลียดมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาของเกลียดอความรักความชอบที่สุดก็เช่นเดียว ถ้ามีสิ่งที่เรารักและเราชอบที่สุดที่เละต้องมไม่โผขึ้นแลาวทำไมทราบเร า, าจะไปแก้ไขเรื่อชั้นละมันตรงไหนเห็นว่าสิ่งมันมีแลเป็นของดีมันไม่มีก็ไม่มีดีด้สิ่งที่มีเราละล้วก็เห็นอานาจประโยชน์ล้วก็เห็นความสามารถของตนว่ามันมีแล้วเราละได้ เรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันเราชาระกะสางป่อยวางไปได้ถ้ามันไม่มีเ้วไปชาระอะไรไม่มีเรื่องชาระมันก็เฉยเฉยยังไม่มีความสามารถอ่านหารไม่ได้แสดงความสามารถอ่านหามันก็ไม่มีเกิดความปีติปฏทิสอะไรมันก็มมีมัมนก็เฉยเฉย ต่อมาเคยได้ยินไปบางสํานักเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมีอยู่มมนให้มีอยู่อย่างนั้นของที่มีอยู่นั่นน่ะมันไม่วันหวไปไหน ม, นมนาจะแฝงจะภาพไปไหน มันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามเรื่องมันไม่แปรปวนมันไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมันไม่เสื่อมไม่สูญหมายความว่ามันไม่ออกมันไม่เข่ามันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ใหญ่ไม่น้อยถ้าทงพูดกันหมด พระผ้าเนี น, นพูดคำไรก็มาตรงนี้เทนั้นลงตรงนี้ทั้งหมดแต่แล้วถึงเด็กๆม่ขามีชีก็พูดคำเดียวกันนั่นแหะใส่สานนี้กันทั้งหมดยังเอเอเอไงกันนะหมู่นี้นะท่ากนันนี้ทำไมไปพิจารณากันนี้นะมาก็เลยปดไม่ได้ ความบริสุทธิ์ที่ไม่ใหญ่ไม่โตไม่นอกไม่ไหนไม่ออกไม่เข่าไม่ขึ้นไม่ลงเขาไม่รู้วิธีแบบนี้ปฏิบัติอะไรกันทางนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติอต่ถ้าก็หินนั่งอยู่กลางแม่น้ําโขงน่ะเห็นินบนภูเขาเนี่ะนี่การขยายเปลือกในการยุบ แล้วไม่มีการงอกออกไปอีกไม่มีขึ้นไม่ีลงไม่มีคว ร, รู้สึกอะไรทั้งหมดมั่นคือพระนิพพานที่นริงนี่พานแต่นี่คือมรรคพานก้อนหินที่เรียนมาเป็นค่อยพานเงียบไปหน่อยนี่เป็นไงก็เห็นทั้งห ม, มความจริงมันไม่ได้เห็นจริงแจ้งชัดโดยนตัวเองเป็นแต่ว่าสมม พูดเป็นจำนวนเพื่อตัดจำนว น, นจัจยิงว่าสิ่งที่มันมีอยู่นั้นเรามีความสามารถชำระ้าสุแสงลบสิ่งนั้นให้มันหมดไปให้มันเข้าถึงสภาพเติมอันนั้นเป็นตัวสแสดงถึงเรื่องความสามารถของปัญญา ถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาและไม่สามารถกระชลนาญสาวสาวเาไม้แก็เาเรียกว่ายังอ่อนเอกเรายังพยายามฝึกฝนแลื่องบรมแห่งพิจารณาบาลุงปัญญานั้นให้เจริญงอกางามมันจะมีการทำควมเทียนจะมีการไปอยู่ปัญญาถ้าหากว่า เราชำละรักษาไดแล้วแล้วก็มีการประโยชน์ป็ญอางื่อจะต้องรักษาสภาพนั้นไว้ได้ตั้งใจให้มีสติอารมณ์แน่แน่อย่างนั้นมันเสื่อมแล้วก็รู้มันจเจริญแล้วก็รู้จิตใจป่องใสสะอาดหรือไม่สะอาดข้ามองหรือปองใสแล้วก็รู้แล้วก็มีการพยชามประโยคน์เป็นอย่างในเรื่องนั้นต่อไป ว่าร่างกายของคนเราเรียกว่ามีบากขันอายุนะเป็นมีบากชีวิตยังมีอยู่มันจําเป็นต้องกระทบก็าจาเป็นมันก็ต้องวันไหวไปตามอาการทั้งหลายนะไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างก้อนหินที่โวหารที่เขาว่ากนะันในการวันไหวก็ต้องมีการ ไปจนต่อสูงมันก็ต้องมีการลำัากลำบากมันก็มีการทําเรียกว่า ง, งานการงานมันยังมีเมื่องานการเมื่อการงานคืออานิสงสพัฒนาอินทรีย์มีอยู่มันทํางานอยู่สติปัญญาอุบายทั้งหลายก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องประกอบให้ทันเท่ารู้เท่ารู้ทันกันในเรื่องทั้งหลายลเน่ยนั้นยังทำได้มีที่สิน้นสุด เห็นแมวได้เจาะระยะสั้นละได้หมดแล้วแต่เรายังกระทบให้บายปัญญานิาสติระบัสระวังสมอนเหมือนกันแต่ท่านไม่ต้องการที่จะไปจนต่อสูดเพื่อชำระอีกต่อไปท่านเพียงเก็บของเก่าและความรู้เท่าของท่านมาใช้เป็นเครื่องเบาสมองและเหมือนคนที่กําลังต่อสูด คนกำลังต่อสู้นี่มันกลัวแพ้กลัวชนะอันนั้นท่านเป็นชนะแล้วท่านไม่กลัวแพ้กลนะแต่ท่านเอาอัน น, นมาใช้พูดตามในของพุทธธรรมที่เราแสดงเราเรียกว่าบิบากหรืรรอว่ากิริยากิริยาของกายวาจาใจ เขาใช่ไงก็ใช่ตามเขาที่เขามีอยูงในโรกนี้แต่จิตใจไม่ได้เข้าไปสุบทราบในสมมติฐาิกัน